ช่วงหลายวันที่ผ่านมาพวกเราก็ได้มีโอกาสดีได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านได้พูดถึงหลวงพ่อของเราซึ่งหลายท่านก็พูดในแง่ ม, มุ ม, ม, มที่แตกต่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้รวมถึงมุมมองของอลูกศิษย์ลูกหา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 ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยทำให้ชุมชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้านธารมัยไฟหวานเนี่ยก็เรียกว่าท่านนี้วางพื้นฐานในหลายเรื่องมาแม้กระทั่งถนนหนทางถนนที่ตีกันเป็นเป็นตาหมากรุกเนี่ยนะก็เป็นผลงานของท่าน ทำตั้งแต่สมัยที่ท่ามาไฟหวานก็ยังเป็นหมู่บ้านยังไม่เป็นตำบลเอพวกเราถ้ามาคงจะสังเกตว่าบ้านท่ามาไฟหวานนี้เหมือนก็มีการวางผังเมืองมานานแล้วนะอันนี้ก็เป็นผลงานของท่านท่านก็เห็นการไกลก็ตัดถนนให้มันเป็นตามรักรุกตรง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 ทุ่มเทเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาป่าเพื่อประโยชน์ของญาติโยมด้วยนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์หรือชาววัดเท่านั้นอันนี้ก็ เ, เป็นเรื่องทางโลกนะที่หลวงพ่อท่านไม่ได้นิ่งดูได้ท่านใส่ใจท่านถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน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 แต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวงานล้มเหลวก็หมายความว่าที่จะช่วยชาวบ้านให้เขาไม่มีนี่ไม่มีสินเขาเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนการผลิตจากการปลูกมันเพื่อขายมาเป็นการผลิตเพื่อบริโภคปลูกผักมีเหลือค่อยเอาไปขายอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทังการช่วยเหลือชาวบ้าน ท่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในพื้นที่ตรงนี้นะท่านเคยทำเป็นพุทธเกษตรให้ชาวบ้านมาทําเกษตรผสมผสานมาปลูกผักจะได้เอาไว้กินกันไม่ต้องไปซื้อจะกินส้มตำนะก็ไม่ต้องไปซื้อนะก็ทําเองมีมันละกอมาปลูกมีพริกแต่ก็ทําให้สําเร็จชาวบ้านก็ซื้อมาแล้ก็ชาวบ้านก็ซื้อพริก อันนี้เลยว่างานท่านไม่สําเร็จท่านกล้าที่จะพูดว่าล้มเหลวนะแต่ว่าตัวทําไม่ล้มเหลวตัวทําไม่ล้มเหลวนี่หมายถึงว่าท่าไม่รู้สึกหวั่นไหวไปกับอ่างานการที่ล้มเหลวไปด้วยเพราะว่าได้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้วนะประโยชน์ตนนี่จิตใจก็มั่นคงนะปล่อยวาง อาจจะหมายความอีกแกนก็ได้ว่านะไอ้งานเพื่อคนอื่นเนี่ยถ้าล้มเหลวแต่งานเพื่อตนเองนะไม่ล้มเหลวสำเร็จแล้วนะอะไรครับที่พวกเรางานส่วนตนก็ยังต้องทำต่อไปแล้วก็อาจจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่แต่งานภายนอกล้มเหลว หรือบางคนงานภายนอกอาจจะไม่ล้มเหลวนะแต่ว่า้งานส่วนตนอาจจะล้มเหลวก็ได้คือแบกความทุกข์ไว้นะเป็นวันเป็นคืนท้อแท้กลัดเกลียวนะหรือว่าหม่นหมองอันนี้เรียกว่าตัวเองล้มเหลวนะถึงแม้ว่างานจะไม่ล้มเหลวก็ตาม แต่ที่จริงแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าหาตัวเองล้มเหลวแล้วเนี่ยงานมก็ล้มเหลวตามไปด้วยแต่งานล้มเหลวแต่ตัวเองไม่ล้มเหลวนี้มันเป็นไปได้หลวงพ่อท่านกะทำทั้งสองอย่างนะ ท, งทั้งทางธรรมและทางโลกทั้งงานประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่จริงคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็จะมีทั้งสองอย่าง2ด้านครบถ้วนพระจริยาไว้ของพระองค์ก็ เป็นไปเพื่อถึงพร้อมให้ถือเกิดความถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนแล้วก็นำไปสู่การทำประโยชน์ท่านคําสอนของพระองค์ก็มีทั้งทางธรรมที่ลึกซึ้งและรวมถึงทางโลกพระพุเจ้าสอนแม้กระทั่งว่าวิธีการทามาหากินวิธตการทามาค้าขายจะทำอย่างไรท่านไม่ได้สอนแค่เรื่องการพ้นทุกข์นะพ้นจากวัตฏสงสารเท่านั้น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 ก็ไอันนี้สองส่วนนี้จากคําสอนของพระพุทธเจ้ามากเพราะพระเจ้าพระเศรนิโคส่ว น, นี้ร่างกายเรียกว่าทวนทวนจนกระทั่งขยิ่ขยับก็ลําบากจะกราบจะไหวก็ไม่สะดวกพุทธเจ้าก็ให้คําแนะนําไปนะว่าให้มีสติยทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคก็จะเป็นผู้มีเวทนาเบาบางแก่ช้าและอายุยืนอันนี้ก็เรียกเป็นประโยชน์ทั้งโลกล้นลวนๆนะเวทนาบาบางแก่ช้าอายุยืนเนี่ย ซึ่งคนใครๆก็อยากได้พระเจ้าปเนาสนทิโกศลก็ให้มหาเล็กท่องคาถานี้ไว้แล้วก็ตาธยให้ฟังเวลาท่านสวยอาหารก็ปรากฏว่าทำให้ลดการกินได้น้อยลงไม่เห็นแก่การกินสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็เลยไปสารเสริมพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยว่าเกื้อกูลทั้ง ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้าคือทิฏฐธรรมกถาและสัมปรายกถะประโยชน์ปัจจุบันคือประโยชน์ทางโลกนั่นแหละสัมปรยกถาคือประโยชน์ทางธรรประโยชน์ทางจิตใจซึ่งรวมถึงปรมัตดด้วยหลวงพ่อนะท่านไม่เพียงแต่พูดหรือสอนนะแต่ว่าเป็นให้เราดูนะอยู่ให้เราเห็น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 สร้างกตินะของหมู่สงที่ไปลูกสิษ์หลวงพ่อเทียนหรือแม้กระทั่งการทำกรดนะธมะก็ยังโชคดีที่ได้มาทันเห็นหลวงพ่อได้เห็นฝีมือการทำกรดของหลวงพ่อนะว่างๆท่านอลูกป่าลดน้ำต้นไม้ท่านก็มามาเหลาไม้นะมาทำซีกรดตรงเนี่ยตรงบนข้างบน ศาลาใหญ่หรือศาลาหน้าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีช่องเก็บเครื่องมือของท่านเครื่องมือสำคัญสำคัญทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องงานช่างคอนซิลนะสว่านก็จะอยู่ในช่องนั้นเนี่ยพวกเราบางีก็เอาของเอาเครื่องมือนั้นมาใช้งานบ้างแต่หลวงพ่อก็ท่านก็ใช้เครื่องมือเหล่านั้นแหละในการทํากรด ถ้าทำกดได้สวยสมัยก่อนกดมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆท่านทํากดเล็กๆแล้วก็เบาเป็นกดที่เหมาะกับการพกการสะพายเราเรียกว่าท่านรอบด้านมากทีเดียวครบเครื่องเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝีไม้ฝีมือหรือแม้กระทั่งการแต่งกรอนแต่งเพลงนะั้นท่านก็เคยทําไม่จะเป็นงานสอนงาน งานช่างนี่ท่านรู้รอบหมดครบเครื่องมากเรื่องการสอนธรรมมาก็เหมือนกันนะท่านก็ไม่ได้สอนแต่เฉพาะเรื่องเรื่องพ้นโลกเรื่องโลกุตตระนะหรือเพื่อที่จะเข้าถึงความไม่เป็นอะไรกับอะไรเรื่องบุญเรื่องกุศลพื้นๆท่านก็สอนสมัยที่อยู่กับชาวบ้านใหม่ๆที่นี่แล้วก็ที่ทํเอาไฟท่านก็ไม่ได้สอนอะไรที่มัน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 ปริญญาเอกน่ะมาสอนอนุบาล น, นะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นสอนชาวบ้านก็เหมือนกับสอนอนุบาล น, นะเริ่มตั้งแต่เรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องบุญบาปคืออะไรนะจัดงานสพแล้วมากินเหล้าเล่นการพนันในวัดอันนั้นไม่ได้บุญหรือว่าจัดงานศพแต่ว่ามีมอหรสบมากมายนะเลี้ยงเหล้ากันอันนั้นไม่ได้บุญท่านสอนแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานแบบนี้ซึ่งพวกเรานี่นะคงจะ เลยไปเลยพ้นจุดนั้นไปนานแล้วแต่ท่านก็ยังต้องมาสอนเรื่องแบบนี้นสอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจนถึงเรื่องสูงสุดขั้นปรมาณพเพียงแต่ระยะหลังท่านก็ไม่ได้สอนชาวบ้านแบบนั้นละเพราะว่าชาวบ้านก็เริ่มจะหูตาสว่างอย่างน้อยก็รู้ว่าไอ้ฐานสีมันคืออะไรเห็นทงเอาใบยมุก นี่จึงเรียกว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่ว่าครบเครื่องมากเนี่ยทั้งโลกและทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งงานภายนอกงานภายในทั้งสอนทั้งพูดทั้งทำแล้วก็เป็นให้ดูอยู่ให้เห็นทำมากก็สอนทุกระดับตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่ ง, 1, ปง 10, นะ 1, 1, ไปจนถึงสิบนะหรือหนึ่งจนหรือหนึ่งไปจนถึงร้อยนืหาได้ยากมากแล้วเพราะความครบเครื่องแบบนี้เนี่ย ก็มีน้อยคนที่จะมองเห็นได้ครบด้านครบทุกด้านของหลวงพ่อนะก็จะเห็นไปคนละด้านคนละแง่มันก็เห็นท่านเออท่านเป็นพระนักพัฒนาพระนักอนุรักษ์ก็เห็นเท่านั้นไม่เห็นอีกด้านของหลวงพ่อท่านก็เป็นพระอาจารย์กรรมฐานอย่างอาตมานี่ตอนที่มารู้จักหลวงพ่อครั้งแรกก็เห็นแต่ในแง่เดียวเห็นว่าท่านเป็นพระที่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 แสดงตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็สอนธรรมะจนกว่าเราจะสนใจสอบถามแต่ว่าท่านจะไม่ไปยัดเยียดไม่มาบังคับไม่มาจำ้ำจี้จ้ำชัยไปพยาคาขัดฝืนความรู้สึกของเราตอเมื่ อ, อได้มาเห็นได้มารู้จักคนมากขึ้นก็รู้โอ้ท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานคุณนบนมาบวชที่นี่พรรษา25สองห้า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 ทางมือไม้มากเวลาเห็นความรอบ ด, ด้านของหลวงพ่อที่ท่านทําทั้งงานภายนอกงานภายในงานหยากงานและงานละเอียด เ, ยเนี่ยทำให้นึกถึงคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคาถาที่ว่าชาวนาไถน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศรช่างไม้ก็ทักไม้ส่วนบัณฑิตฝึกตนหลวงพ่อเป็นทั้งหมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเลย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 แต่ความร่ำรายของท่านแล้ก็ไม่มีคนจะเห็นได้ทั่วถึงเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่แล้วก็มันก็เป็นยุคเป็นยุคด้วยพอถึงยุคหนึ่งท่านก็เลิกเรื่องงานช่างเรื่องการทํากรดอะไรต่างๆก็คนที่มาเรียนกับท่านรุ่นหลังก็ไม่เห็นละอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่เราสามารถเจริญรู้ได้จากท่านโดยพ่อเรื่องทางโลกทางธรรมเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่าน เรื่องงานภายนอกงานภายในเพราะพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นความรอบด้านที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขทั้งในระดับพื้นฐานคือระดับกายระดับความสัมพันธ์คือศีลแล้วก็ลงลึกไปถึงจิตใจคือสมาธิและปัญญาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ต้องไปควบคู่กันไม่แยกกันเรื่องสังคมชุมชนธรรมธรรมชาติ สามอย่างนี้ก็เชื่อมโยงกันแล้วหลวงพ่อท่านก็าการกระทำของท่านก็ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงทั้งชุมชนทั้งธรรมชาติและธรรมะไม่ได้แยกขาดจากกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเห็นว่า ง, งานกรรมฐานเป็นเรื่องสําคัญที่สุดท่านก็เคยพูดบ่อยๆว่าเนี่ยอาชีพของท่านก็คืออาชีพกรรมฐานแต่ท้าไม่เรียกตัวามาเป็นอาจารย์กรรมฐานนะท่านไม่ค่อยเรียกตัวอย่า ง, างนั้นเท่าไหร่ แต่ท่านเพียงแต่ว่าอาชีพนัานก็คืออาจารย์ก็คือการสอนกรรมฐานในอาชีพนี้เนี่ยเมื่อนึกถึงอาชีพนี้หรือเมื่อมันคงในอาชีพนี้เนี่ยท่านก็จะนึกถึงหลวงพ่อเทียนอยู่เสมอเพราะว่าหลวงพ่อเทียนเนี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำให้ท่านนี่ได้พบสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้หลวงพ่อท่านเคยบอกว่า ถ้าท่านไม่มาทางนี้หรือไม่รู้ทำเนี่ยก็ตายไปนานแล้วเพราะว่าตอนเป็นคาราว่านี้เจ็บป่วยเพราะว่าท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังมากอยากมั่งอยากมีอยากร่ำรวยเหมือนกว่าคนอื่นใครทำได้เท่าไหร่ท่านก็ตั้งใจหรือมุ่งมั่นจะทำให้ได้มากกว่านั้นชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าววันละห0กองท่านบอกว่าท่านจะต้องทำให้ได้ร้อยกอง หรือว่าจิตใจนี้จริงจังมุ่งมั่นเอาชนะให้ได้แต่ว่าก็ทำให้เจ็บป่วยการที่ได้มารู้ธรรมได้มาเส้นทางนี้ทำให้ท่านได้ไม่เพียงแต่มีอายุยืนมาถึงจนรทังเมื่อทีฏฐิแล้วเท่า น, นั้นแต่ว่าก็ยังมีความสุขความทุกข์เบาบางแล้วก็ใช้ธรรมะที่ได้เรียนจัก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 มีเป็นผู้ที่มีความสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์มากจะเรียกว่าท่านเป็นเศรษมีครูก็ได้นะถ้าท่านสำนึกอยู่เสมอถ้าเป็นเศิษมีครูครูสงศ์ก็คืพอพระพุทธเจ้าจากครูที่เปลี่ยนชีวิตท่านอย่างมากคือหลวงมดเทียนแล้วก็มีคนเดียวพวกเราหลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบได้สัมผัสได้ฟังธรรมจากป่ากของหลวงพ่อเทียนแต่พวกเราก็โชคดีนะที่ได้มา ได้มาเรียนได้มาศึกษาได้มาเห็นแบบอย่างแล้วก็ได้รับคำชี้นำชี้แนะจากหลวงพ่อคำเขียนถ้าว่าเราสำนึกในคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็ถือว่าเราเเป็นศิษย์มีครูคาว่าศิษย์มีครูนี่เป็นคำที่มีความหมายมากทีเดียวนะ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 เราจะรู้เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจเลยเพราะถ้ายังไม่ถึงธรรมนี่กนะ็ไม่เห็นพระพเจ้านะผู้ใดที่เห็นธรรมนั่นแหละถึงจะเห็นพระองค์แล้วนะใครที่ยังไม่ได้เห็นธรรมขนาดนั้นก็ไม่ได้เห็นพระองค์นะแต่ว่ากลับหลวงพ่อพคำเขียนเราโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เห็นด้วยตาเนื้อ ได้ยินได้หูว่าท่านสอนอะไรและถ้าเราได้ปฏิบัติตามก็ย่อมต้องมีตาในนะที่จะเห็นจิตเห็นใจของตัวเองแล้วก็ได้รับอนิสง์แห่งการปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนได้ชิ้นนะได้ทำเป็นแบบอย่างเมื่อ น, นั้นเราก็ย่อมเกิดความทราบซึ้งในบุญคุณของท่านแล้วเกิดความภาคภูมิใจแล้วเกิดความมั่นคงว่า ถ้าจริงท่านก็ไม่ได้อยู่ไหนเลยนะก็เสด็จอยู่ในใจของเรารูปร่างสรีระนั้นเป็นเป็นส่วนภายนอกนะที่ย่อมมีวันเน่าเปื่อยไปตอนที่จะเน่าเปื่อยก็แก่ชรานะไม่สามารถบังคับเปลี่ยนไปตามใจได้แต่นั้นเป็นส่วนเปลือกนอกนะส่วนที่เป็นแก่นแท้นะคือแก่นธรรมนั่นเองที่ เราสามารถจะสร้างให้เกิดมีขึ้นได้แล้วถาาว่าเราตระหนักถึงความเป็นสิทธิ์มีครูของเราเนี่ยเราก็จะไม่ไม่นิ่งดูได้จะต้องพากเพียรพยายามทำตามที่ท่านสอนเพราะว่าท่านได้ทุ่มเทให้กับเราและเราจะปล่อยปะแล้วเลยนิ่งดูได้และเฉยเหนือยได้อย่างไร ควา ม, มเป็นสิทธ์มีครูกระตุ้นทําให้เราเนี่ยเกิดความเพียรจะไม่เป็นการเสื่อมเกียรติของท่านหากว่าท่านมารับรู้น่าสามารถจะรับรู้ได้ท่านก็จะได้เกิดความภาพปู่นใจนะในในตัวเราถึงแม้เราอาจจะไม่สามารถเป็นอภิชาติสิทธิ์ได้นะแต่ว่าก็จะเป็นอวชาติสิทธิ์ให้ความสนุกสิทธิ์มีครูเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้จัก เรามาระวังสัมรวมที่จะไม่ทําให้ท่านได้เสียใจหรือทําให้เป็นการเสรื่อมเสียต่อชื่อเสียงของท่านไม่ให้ค ใ, หใครมาบอกว่าเนี่ยโอ้สิทธ์ลูกสิทธ์หลวงพ่อกาเขียนแบบนี้หรือถ้าเมื่อใดก็ตามมีคนพูดแบบนี้นะมันก็กลายเป็นเครื่องเสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ต้องนะตั้งใจให้ดีนะที่จะไม่ให้มี คนผู้เช่นนั้นได้แต่ถ้าเข้าใจผิดนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาเห็นนั้นเนี่ยมันถูกว่าเรามันทําไม่ได้เรื่องจริงจแล้วเขาก็จะลําเรื่อไปถึงครูบาอาจารย์นี่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียหายมากว่าเราทําให้ครูบาอาจารย์ต้องโมหม่มองชื่อเสียงท่านต้องโมม่มองเพราะการกระทำของเราแต่ถ้าเมื่อก็ตามที่เราตันหนักวันนีเราเป็นเสร็จมีครูนะครูเราเป็นครูที่ประเสริฐมาก เราก็จะอย่างน้อยก็จะรักษาถ้าไม่เห็นแก่ชื่อเสียงของตัวเองก็ยังเห็นแก่นะเกียรติคุณครูบาอาจารย์มันก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นทำให้เราตั้งมั่นในธรรมไม่ไม่เผลอเรอไม่พังพราหรือไม่ปล่อยใจไปตามกิเลสไม่ปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำทางครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแต่ว่าลูกศิษย์นี่กับ ป่อยให้ความหลงค้อบงำจนกระทั่งกิเลสตันหาเข้ามาขีาค่คออันนั้นจะไม่สมควรฉะันพวกเราเนี่ยตระหนักให้ได้นะว่าเราเป็นศิษย์มีครูที่จะต้องเดินตามท่านให้ได้ให้ถึงที่สุดแต่ก็ต้องตระหนักนะว่าการเดินตามหรือตามรอยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเรียนแบบศนะิษย์มีครูก็จริงนะแต่ไม่ใช่เรียนแบบครู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 อันนี้ไม่ได้หมายถึงการเอาตัวเองเปศูนย์กลางนะหลวงพ่อเทียนก็ไม่เคยสับสนหน้าที่จะให้หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ขึ้นมาบนหลังเขาจวมาจะขึ้นมาทําไมจะมาอยู่แบบหนูแบบจะมาอยู่แบบหนูแบบเอ่อเปรียคล้ายสัตว์ป่าได้อย่างไรมันเป็นที่เล็กที่แคบอย่าให้ท่านไปสอนในเมืองจะมาอยู่ในป่าแบบนี้ไม่สมควร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 อาจะเชื่อฟังหลวงพ่อเทียนมากในเรื่องนี้ถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วพวกเราทุกคนก็ได้อานิสงส์จากการที่หลวงพว่อท่านเป็นตัวของตัวเองในแง่นี้มันทําให้เรามีสถานที่ปฏิบัติที่สงบวิเวกถึงแม้จะไม่สบายแต่ว่าทําให้เกิดความสงบใจได้และทําให้การปฏิบบของเราเจริญก้าวหน้านนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ ในตระหนักอยู่เสมอนะว่าเราโชคดีที่เป็นศิษย์มีครูแล้วก็พยายามทำให้ให้ครูของเราได้ภาคภูมิใจนะอรชานที่ก็เพื่อเท่านี้กราบร